ข อ, อเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองตุลาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติ มาศึกษาพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเพราะการบําเพ็ญการปฏิบัติการศึกษาพรทธธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยกระดับจิตใจ ของเราให้ขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงระดับที่สูงสุดได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงศึกษาและได้ปฏิบัติด้วยพระองค์เองจนบรรลุถึงความเจริญที่สูงสุดของจิตใจได้ หลังจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเผยแผ่อบรมสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทำให้สัตว์โลกผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายได้มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเขาจนได้บรรลุถึงจุดสูงสุดเช่นเดียวกับ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุก็คือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ปรามังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่คือสิ่งที่พวกเราจะสามารถบรรลุถึงได้ด้วยกันทุกคนเพราะใจของพวกเรากับใจของพระสาวกก็ดีใจของพระพุทธเจ้าก็ดีก็เป็นใจเหมือนกันเป็นธาตุนี้ไม่มีความแตกต่างกัน สิ่งที่เราแตกต่างจากพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นั้นก็คือใจของเรายังไม่สะอาดบริสุทธิ์เรายังไม่ได้ทําการชำระเพราะเราขาดบุญบา ร, รมีขาดผู้ที่จะสอนให้พวกเราชำระกันนั่นเองในชีวิตของพวกเรานี้ถ้าเราไม่ได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา เราจะไม่รู้เลยว่าเราเกิดมาทำอะไรทำไหมและเราจะเป็นอะไรต่อไปเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะเราไม่เคยรู้จักเรื่องราวของใจของเราสิ่งที่เรารู้จักก็คือร่างกายของเราเรารู้ว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่เราไม่รู้ว่า ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องหนึ่งของชีวิตของเราเรายังมีอีกเครื่องหนึ่งก็คือใจใจที่ไม่ตายตามไปกับร่างกายใจที่จะต้องไปเกิดใหม่ไปรับผลบุญผลกรรมใหม่ตามบุญตามกรรมที่เราได้ทํากันในอดีตและในปัจจุบันนี้นี่คือส่วนที่เราไม่รู้กันก็คือ เรื่องของจิตใจเพราะจิตใจเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธปรรมเราไม่สามารถมองเห็นใจของเราได้เราเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราแล้วใจของเราก็มีความหลงครอบงำอยู่ทําให้ใจของเรามองเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายเป็นอะไรไป ใจของเราก็ทุกทรมานไปกับความเป็นไปของร่างกายทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทุกทรมานไปกับร่างกายเลยแต่เนื่องจากไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างที่จะมาชี้ให้ ใจได้เห็นว่ากายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันกายเป็นรูปประธรรมเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้เป็นนามธรรมาเป็นธาตรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้มีความรู้สึกต่างๆร่างกายนี้ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้สึกนึกคิด ร่างกายนี้เป็นเหมือนวัตถุอื่นๆเช่นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หรือข้าวของต่างๆเขาเป็นวัตถุเขาเป็นธาตุเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่มีความรู้สึกจะเอาไปทำลายเอาไปเผาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาถูกเผาเช่นร่างกายของเรา ถ้าตายไปแล้วร่างกายและใจก็จะไม่ได้อยู่ร่วมกันใจก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเวลาใครเอาไปเผาก็ไม่รู้รู้เรื่องแต่อย่างใด ร, ร่างกายก็ไม่รู้เรื่องใจก็ไม่รู้เรื่องเพราะใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วใจไปอยู่ที่อื่นแล้วไปตามสถานภาพของใจตามบุญตามกรรม ดังนั้นเวลาคนตายไปจึงไม่มีปัญหาเวลาที่เราจะนําร่างกายทราบศพนี้ไปเผาไฟแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ถ้าเราเอาไปรักษาเช่นเอาไปผ่าตัดถ้าเราไม่วางยาสลบนี้เราจะไม่สามารถผ่าได้เพราะมีใจเป็นผู้รับรู้อยู่มีความรู้สึกกับ ความเจ็บของร่างกายนี่คือเรื่องของใจและกายที่พวกเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับ พ, พุทธศาสนาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแล้วเราจะสามารถเห็นกายและใจนี้เป็นคนละส่วนได้ และจะรู้ด้วยว่าใจของเรนี้จะไปไหนต่อไปจะไปสูงหรือจะไปต่า อ, อยู่ที่ในใจของเราอยู่ที่บุญและบาปที่เราได้สะสมเอาไว้ภายในใจของเรานี้เองดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจเพราะว่าใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตาย นละใจนี้จะเป็นผู้ที่จ ะ, จะเจริญหรือจะเสื่อมจะเป็นผู้ที่ไปเกิดในอบายหรือไปเกิดในสุขติเป็นใจส่วนร่างกายนี้ไม่ไปไหนร่างกายนี้เป็นของโลกนี้เป็นของดินน้ำลมไฟเมื่อถึงเวลาเขาก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ เวลาคนตายไปเราจะเห็นได้เลยว่าธาตุทั้งสี่นี้จะแยกออกจากกันเช่นธาตุไฟคือความร้อนในร่างกายก็จะหายไปธาตุน้ำก็จะไหลออกมาธาตุลมก็จะระเหยออกมาเหลือแต่ธาตุดินที่ถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็จะกลายเป็นดินไป นี่คือธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้ไม่มีสาระแก่นสารไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดสิ่งที่มีความสำคัญก็คือใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายแต่ใจนี้ยังไม่ได้รับการอบรมจึงต้องมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายและเรื่องของสิ่งอื่นๆ เพราะไม่รู้ว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างไรคือไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดและไม่อยู่ภายใต้อํานาจของใจที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ใจจึงต้องทุกข์ทรมานไปกับ สิ่งต่างๆที่ใจไปยึดติดใจยึดติดกับร่างกายก็ทุกกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกไปกับความเจ็บไข้ของของร่างกายเวลาร่างกายจะตายก็ต้องทุกไปกับการตายของร่างกายเพราะว่าไปยึดติดกับร่างกายนั่นเอง นอกจากร่างกายของตนแล้วยังไม่พอยังไปยึดติดกับร่างกายของผู้อื่นอีกร่างกายของคุณพ่อของคุณแม่ของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของสามีของภรรยาของบุตรธิดาของญาติสนิทมิตรสหายพอเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาใจของเราก็ว้าวุดขุ่นัวเศร้าหมอง มีความทุกข์ความเสียใจนี่เพราะว่าใจไม่ได้รับการพัฒนาด้วยปัญญาด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดติดไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตาางความปรารถนาได้นี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายต้องมาศึกษามาสอนใจให้ยอมรับความจริงของสิ่งต่างๆแล้วปล่อยวางเพื่อใจจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลงหรือจากการสูญเสีย ของสิทธ์ต่างๆที่ใจมารับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือความทุกข์ที่ใจของเราสร้างขึ้นมาเองเพราะความหลงไปหลงเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราแล้วก็เกิดปัญหาความอยากที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็น อย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนาเราก็มีความทุกข์ใจกันความทุกข์ใจนี้เราสามารถที่จะกาจัดให้หมดไปได้ถ้าเราคอยสอนใจอยู่อย่างสม่าเสมออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน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 พบกับเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องไม่กลับมาเกิดเราต้องหยุดใจของเราหยุดความอยากสามประการคือการมตันหาความอยากในกามภาวะทันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะทันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากสามส่วนนี้เป็นเหมือนกับพลังงาน หรือตัวที่จะผลักดันให้ใจไปเกิดตามภพต่างๆส่วนจะเกิดภพสูงหรือภพต่ำนั้นขึ้นอยู่กับบุญและบาปที่ใจได้กระทำในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าทำบุญก็จะไปเกิดในภพที่สูงเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญให้ทานแล้วรักษาศีล ก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพถ้าไม่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลอย่างเดียวก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิด้วยทำจิตใจให้สงบเป็นฌานก็จะไปเกิดเป็นพรมแล้วถ้าจเจริญวิปัสสนาพิจารณา สภาวธรรมทั้งหลายจนเห็นแล้วว่าไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาแล้วก็สามารถยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งหลายได้ก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาถ้าได้พิจารณาความไม่สวยงามความเป็นปฏิกูลของร่างกาย ก็จะสามารถบรรลุเป็นพะระสกิฎาคามีและพระอนาคามีได้ตามลำดับต่อไปแล้วถ้าสามารถพิจารณาให้เห็นว่าใจหรือจิตนี้ก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและ ทรงปฏิบัติมาจนบรรลุถึงขั้นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์จึงได้นําเอาความรู้นี้มาสอนให้แก่สัตว์โลกเช่นพวกเราทั้งหลายถ้าพวกเรามีศรัทธาแล้วพยายามตะเกียกตะกายประพุติปฏิบัติ บ, ตบงเพ็ญไปตามที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนจากขั้นทาน ขยับขึ้นสู่ขั้นศีงขยับขั้นสู่สมาธิและขั้นปัญญาตามลำดับต่อไปจิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับและจะสามารถพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดได้แม้แต่ในภพนี้เลยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญบุญบารมีเป็นกับเป็นกรรม เหมือนในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพราะเนื่องจากไม่มีผู้ชี้ทางนั่นเองถ้ามีผู้ที่ชี้ทางสอนพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็จะไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบุญบารามีต่างๆเป็นกับเป็นกันเพราะมีผู้ที่จะบอกให้บำเพ็ญเท่าที่จำเป็น ไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญมากมายกายกองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมา ก, ก็จะสามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ก็คือให้บำเพ็ญทานศีลภาวนานี่เองแต่สมัยนั้นไม่มีใครทรงสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบำเพ็ญบารมีชนิดต่างๆกันเป็นจํานวนมาก แล้วก็ต้องลองผิดลองถูกเพราะการบำเพ็ญบารมีแต่ละรูปนั้นแต่ละชนิดนั้นก็มีการบำเพ็ญที่ถูกและผิดได้นะเช่นสมาธิก็มีสัมมาสมาธิและมีมิจฉาสมาธิปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐินะดังนั้นการบำเพ็ญตามลาพังเพื่อที่จะให้ได้บรรลุถึง ขั้นมรรคผลนิพพานนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากจะต้องทดลองผิดถูกอยู่หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันด้วยกันแม้แต่ในพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องทรงลองผิดลองถูกทรงทดลองกฎพระกายาหารถึง4ี่วันเพราะคิดว่าจะทำให้พระองค์ได้บรรลุได้ ได้ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจของพระ อ, องค์ให้หมดสิ้นไปแต่หลังจากที่ได้ทรงอดถึง49วันก็ยังเห็นว่าในพระทัยของพระ อ, องค์นี้ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความอยากอยู่พระ อ, องค์จึงทรงรู้ว่าไม่ใช่ทางถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็ก็อาจจะไม่ไม่รู้ก็ได้ แล้วก็อาจจะอดจนสิ้นชีวิตไปแต่จะไม่ได้บรรลุบรรคผลนิพพานแต่อย่างใดก็จะเสียเวลาไปเอกชาติหนึ่งก็ต้องไปทดลองต่อไปในพบต่อไปในชาติต่อไปแต่เนื่องจากพระ อ, องค์นั้นทรงได้บําเพ็ญพระปัญญาบารมีมามากพอจึงทำให้รู้ว่าการอดพระกายาหารเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ได้ในที่สุดพระองค์จึงต้องย้อนกลับมาเสวยพระกาหารแล้วก็หันมาบำเพ็ญที่จิตใจทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยาก ความหลงที่ไปยึดติดกับร่างกายต่างหาอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาพระองค์จึงทรงหันกลับมาแก้ปัญหาที่พระไถยของพระองค์ด้วยการเจริญสมถทและวิปัสสนาภาวนาทำใจให้สงบในเบื้องต้นเมื่อใจสงบแล้วก็ สั่งสอนใจให้ยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจนในที่สุดใจก็ยอมรับปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทรงมีพระกังวลแต่อย่างใดเช่นทรงประทับอยู่ภายต้นโพธิ์อยู่ หลายชั่วโมงด้วยกันร่างกายมีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ไม่ไม่มีความอยากที่จะให้ความเจ็บของร่างกายนั้นหายไปไม่มีความกลัวว่าร่างกายนั้นจะตายไปเพราะทรงได้พิจรารณาแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของท่านเป็นเพียงวิ น, น้ำลงไฟและจะต้องตายไปในที่สุด และเมื่อถ้ามันจะตายในขณะที่ทรงประทับภาวนาอยู่ก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยจะปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามความจริงพระองค์จึงสามารถดับตัญหาต่างๆภายในพระทัยของพระองค์ได้ดับกามะตัญหาภวะตัญหาวิภวะตันหาด้วยการพิจารณาสภาวธรรมต่างๆเช่นร่างกายว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน ร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยงามร่างกายมีสิ่งที่เป็นปฏิกรูลต่างๆถึงทำให้พระองค์สามารถกำจัดราคะาตัณหาหรือกามาตัาหาไดา้และทรงพิจารณาว่าใจก็ไม่ใช่ตัวตนใจเป็นเพียงธาตรู้เป็นผู้รู้เหมือนกับร่างกายเป็นธาตุสีดินน้ำล ม, มไฟไม่มีตัวตนไม่เป็นใคร ไม่เป็นของใครทั้งนั้นเป็นแต่สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นเองเมื่อทรงพิจารณาอย่างนี้ได้แล้วก็ทรงสามารถตัดตัณหาทั้งสามได้ความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรสในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้หรือในร่างกายของตนเองก็ไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ร่างกายของคนนั้นคนนี้หรือใน ร, ร่างกายของเรา ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีตัดไปได้และความอยากที่จะให้มีความสุขภายในใจก็ไม่มีเหมือนกันก็ปล่อยไม่ได้ยึดติดว่าใจนี้เป็นของตนใจจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปใจจะสุขก็ปล่อยให้เป็นไปตามความธรรมธรรมชาติของใจใจจะหายจากความสุขมาเป็นความทุกข์ก็ปล่อยให้มันเป็นไป ไม่ไปยึดไปติดปล่อยวางทุกอย่างพอปล่อยหมดได้ปล่อยทั้งกายปล่อยทั้งใจได้ก็หลุดพ้นจากอุปทานทั้งปวงใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นพระนิพพานขึ้นมากลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอยู่ที่ใจนี้ทั้งหมดความจเจริญต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพชาติใดก็ตาม จะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมหรือาเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่กายหรือความเสื่อมของใจก็เช่นเดียวกันจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกก็เป็นที่ใจเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นที่ร่างกายร่างกายของพวกเราทุกคนนี้เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดแต่ใจของพวกเรานี้อาจจะไม่เหมือนกัน ใจของเราบางคนก็อาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นเทพก็ได้อาจจะเป็นนรกก็ได้อาจจะเป็นสวรรค์ก็ได้ในขณะนี้ขึ้นอยู่ว่าใจของเราได้สะสมอะไรเอาไว้เราได้พัฒนาหรือเราได้ฉุดลากใจของเราให้เสื่อมลงไปถ้าเราทำบาปทากรรม อยู่อย่างสม่ำเสมอใจของเราก็จะตกต่ำถ้าเราไม่ทำบาปเราทำแต่บุญใจของเราก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาใจของเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นไปตามลำดับได้ในขณะนี้เลย ใจของเรานี้สามารถบรรลุธรรมได้ทุกเวลาถ้าเรามีสติปัญญาพอที่จะชำระใจของเราให้สะอาดได้ในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ในขณะที่ฟังธรรมเพราะใจขณะที่ฟังนั้นก็พิจารณาตามไปแล้วก็ปฏิบัติตามไป กำจัดความโลภความโกรธความหลงไปตามลําดับกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามลําดับแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้อยู่ที่ใจนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจนี้และใจเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาใจเป็นผู้สร้างสวรรค์ใจเป็นผู้สร้างนรกใจเป็นผู้สร้างมรรคผลนิพพานด้วยการกระทำของใจคือความคิดนี้เองถ้าคิดดีคิดไปในทางกุศลก็จะไปในทางที่ดีไปสู่สุคติ ไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าคิดในทางอากุศลคิดไม่ดีคิดร้ายคิดชั่วใจก็จะไปสู่ที่ต่ำอยู่ที่การกระทําของใจนี้เองส่วนร่างกายนี้เป็นเพียง เ, เป็นสมุนเป็นผู้รับใช้รับคําสั่งของใจอีกทีหนึงใจต้องสั่งก่อนร่างกายถึงจะพูดได้ทําได้ ดังนั้นเราจึงต้องมาพัฒนาใจของเราด้วยสติเราต้องมีสติคอยดูแลใจของเราให้รู้ว่าขณะนี้ใจของเรากำลังคิดไปในทางไหนถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องยับยั้งหยุดให้ได้ถ้าใจของเราคิดื่วยเปื่อยไร้สาระเราก็ต้องหยุดทำใจให้นิ่งให้สงบให้สักแต่ว่ารู้ เช่นเวลาเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใจของเราไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาให้รู้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ก็พอกําลังรับประทานอาหารให้ก็ให้คิดอยู่กับเรื่องรับประทานอาหารให้รู้อยู่กับเรื่องรับประทานอาหารอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วก็จะทำให้เราไม่สามารถครวบคุมใจของเราได้เวลาที่เราต้องการที่จะหยุดความคิดต่างๆแต่ถ้าเราสามารถบังคับใจให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ให้ใจลอยไปในอดีตไม่ให้ไปในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเราก็จะสามารถ สั่งใจได้สั่งให้หยุดคิดได้เวลาที่เราต้องการจะหยุดคิดเวลาที่เราต้องการพักจิตเข้าสู่สมาธิเราก็จะสั่งได้เวลาที่เราจะสั่งให้จิตยุติความโลภความโกรธความหลงก็จะสั่งได้เพราะเรามีสติเป็นตัวคอยสั่งนั่นเองแต่เราต้องมีปัญญาเป็นคนคอยบอกว่าอะไรผิดอะไรถูก อ, อะไรควรอะไรไม่ควร แต่ถ้าเรามีปัญญาไม่มีสติเราจะไม่สามารถสั่งจิตได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เราจะไม่สามารถสั่งใจให้หยุดได้เช่นเวลาเราโกรธเราจะสั่งให้ใจหยุดโกรธเราก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติสตินี่เป็นเหมือนเบรกของรถยน รถยนต์นี้ถ้าเราต้องการจะหยุดเราต้องมีเบรคถึงจะหยุดรถได้ถ้าไม่มีเบรครถก็จะต้องวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดใจของเราคือความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการหยุดใจหยุดอารมณ์หยุดความคิดที่มีอยู่ในใจเราต้องมีสติแต่สตินี้ต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยถึงจะได้รู้ว่าควรจะหยุดอะไรและไม่ควรหยุดอะไร ถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราไปหยุดในสิ่งที่เราไม่ควรหยุดเช่นหยุดทาบุญหยุดรักษาศีลหยุดปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ควรหยุดแต่เราควรจะหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆถ้าไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้คนบางคนมีสติแต่ไม่รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร จ, จึงเราจึงต้องศึกษา ฟังเทศฟังธรรมเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วสำหรับจิตใจของเราอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้พระพุทธศาสนานี้หลุดจากใจหลุดจากมือของเราไป ขอให้พวกเราพยายามน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และพยายามปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วรับรองได้ว่าประโยชน์สุขที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ภายในเอื้อมมือของเราอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาพัฒนาชีวิตจิตใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรัย